ให่นไหมเอามหาเอกพุทธาเนี่ยเป็นปฐมหรือบัญญตัตเป็นตอบป้องกนันเลนะบอกบรรญัตมีสภาวารับรองว่นี่ก็ยะตอบ <c oughs> นี่ก็ เ, เป็นมวย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 ใช่ไหอไแก่อะไรอ่ะได้แก่มรรจิตน่ะมรรจิตแล้วเจไดศีกสามสิบหกอ่ะนามขันสี่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแลขันแล้วก็วิญญาณขันใช่ไมนั้นสภาวะประมรัตธรรมอันนั้นแหละเป็นตัวไปแทงตลอดอริยสัตว์เป็นสภาวะที่ตัดสู้เองกว่าจะได้สภาวะอรธมรรจิอันนั้นมาในยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรั้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 นานเหลือกเกินวันนั้นนะวันที่อธาตมากุบัติเกิดขึ้นเองที่เป็นสัมมาสัมพุทธะนะท้ามาหาคมหลายหมื่นจักรวาลถือพินมาบรรเลงบูชาเท้ามาหาพมถือฉัดมาหลายหมืาานนะ่นจักรวาลนะเต็เยียดไปหมดเลยฮะถือฉัดถือธงถือฉัดมากางก้านพวกถวายบูชา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 วิปัสนาญาณนั้นมีสมาธิเป็นประฐานใช่ไหมสมญถาภูดยานัทสนานิพิทาเวลาค่ากว่าเวลาค่าคืออริยมรรคอริยมรรคนั้นมีอะไรมีนิพิทาใช่ไหมเป็นประฐานนิพิทาก็มียถาภูดยานัทสนะก็ปัญญาทั้งนั้นที่รู้เห็นตามความเป็นจริงยถาภูดยานัทสนะก็มีสมาธิเป็นประฐานสมาธิก็มีความสุขนั่นแหละเป็นประธานความสุขก็มีปัจธิ เป็ น, นประธฐานปัสสีกมีปิติเป็นพระธาฐานปิติก็มีปราโมทเป็นประธฐานปราโมทก็มีอวิปปิสารเป็นประธาฐานอวิปปิสารก็มีกุโสลศีลสีส่อยา่างปาฏิโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีอาชีวาปฏิสุทธิสีปฏิยะสันนิสิตาสีนี่แหละเป็นประธฐานเป็นอย่างนี้ลองคิดดูที่ว่าก่อถ้าจะบ่มพ่อศีลสมาธิและปัญญาเป็นต้นก็จะเป็นประธาฐานแกการได้อหัตมาสอันหับครผม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 คามดับทุกเป็นปรมาตมนะเป็นปรมาตตหมดเลยพอพิจนารณาอย่างนี้เวลาไปเจริญบุตคุณเราจะได้ชัดนะจะได้ชัดเี่นอันมากก่าหลายรอบเลยนะเรื่องนี้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 ยังดับทุกไม่ดับใช่ไหมน้องที่จะเป็นสังขามไหมน้องไหมพร้อมไหอยังพร้อมเลยนะพร้อมแล้วก็อย่าห่วงอะไรมากไอตรงนี้ไอตรงนี้เลยนะเหนมนพอห่วงมากก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมเป็นเครื่องตังวลใหญ่เนกันนะ เข้าใจป่ะเด้งเชื่อขาดหลายเส้นแล้วเชื่อขาดเส้นเลย ท้านพูดอาจารย์พยายามดึงจังเลยนะแต่พวกเราสุขคนดึงหมดแรงแล้วคนดึงไม่หมดแรงอาจารย์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหดแรงนะพวกเราย่าไม่ไหวตรงนี้ก็คือว่าท่านพระสัมมาสัมพุทธะที่ว่าตัดสู้เองโดยชอบคือตัดสู้ริยะศาสตร์ใช่ไหม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 ถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นในพิจารณาเห็นโดยความเป็นลูกศรเนาะอาทุขกขมาสุขเวทนาเกิดขึ้นในพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของที่จริงถ้าในพิจารณาสุขด้วยความเป็นทุกขขอไปพิจารณาทุกขเวทนาเหมือนลูกศรที่ปักไปนี้ด้านเนาะพิจารณาอทุกขมาสุขเวทนาโดยความเป็ น, นของไม่เที่ยงเพราะอะไรเนาะใช้สังเกตอย่างนี้ถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นราคานุตสยัยเชนตามนอน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 ก้ิ่นหอมๆโลภะตามไหมรสอร่อยอร่อยโลภาตามไปแล้วสัมผัสที่นิ่มๆเอาเวลาเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราคิดยังไงเราคิดแบบเกณฑใจโลภะหรือหรือเกณฑใจปัญญาอ้าเข้า <c oughs> ใจไหเราตามใจโลภะหรือตามใจปัญญาและขณะที่เอาเสื้อผ้ามาใส่